ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนคือร่างกายกับจิตใจรวมกันเราเรียกว่าขันห้าร่างกายนี้เป็นรูปประขันเป็นขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันส่วนจิตใจมีอยู่สี่ขันด้วยกัน เรกว่านามขันมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่อยู่ในจิตใจเป็นส่วนประกอบของจิตใจเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาแปลว่าความรู้สึกมีอยู่สความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจําได้หมายรู้จําสิ่งนั้นจําสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้จําคนนั้นคนนี้ว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อันนี้คือสัญญาความจําได้หมายรู้ สังข า, า, รงงงารคือความคิดปรุงแต่งสังขารคือความคิดปรุงแต่งเช่นเราคิดจะทำอะไรดีวันนี้คิดไปทำงานเดื๋อคิดลาหยุดงานคิดไปเที่ยวคิดไปทำบุญอันนี้เป็นสังขารคือความคิดปรุงแต่งแล้วก็อันสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณคือผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผุทพะมาจากตาหูจมูกนิ้นกายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจจิตใจนี้ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายตอนที่เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ในท้องของมันดาในคันของมันดาพอมีการผสมกันผสมระหว่างธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เมื่อเริ่มมีการปฏิสนธิคือเริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาดวงวิญญาณดวงจิตที่ไม่มีร่างกายในตอนนั้น ก็กำลังรอหาร่างกายอยู่ถ้าเป็นจังหวะที่มาพบเข้าก่อนดวงวิญญาณของดวงอื่นก็จะเข้าไปเกาะด้วยกระแสของกระแสจิตที่เรียกว่าวิญญาณ น, นี่เองวิญญาณนักขันก็จะไปเกาะติดกับร่างกายไปเกาะติดกับ ตาหูจมูกงอ็กายตามลำดับตอนใหม่ๆยังอาจจะไม่มีตาไม่มีหูมีแต่ร่างกายกวิญญาณก็ไปเกาะไว้ก่อนพอมีการเกาะติดก็มีการพัฒนาร่างกายตามลำดับในคันอยู่ได้เก้าเดือนก็คลอดออกมา แต่ดวงจิตนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในขันของมันดาร่างกายนี้อยู่ในขันของมันดาจิตนี่ส่งกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะเรียกว่ากระแสจิตเรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณนี้เป็นผู้ที่ไปรับรูปจากตารับเสียงจากหูรับกลิ่นจากจมูกรับรสจากลิ้น รับผดทพะคือสัมผัสที่มาสัมผัสทางร่างกายเช่นความร้อนความเย็นความแข็งความนุ่มอันนี้เป็นเรียกผดทพะผู้ที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะจากตาหูจมูกลิ้นกายคือวิญญาณขันเังนั้นวิญญาณนี่มีสองความหมาย วิญญาณัขันแล้วก็เวลาที่จิตใจไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณขอให้เราเข้าใจว่ามีความหมายต่างกันดวงวิญญาณนี้รวมดวงวิญญาณนี้มีขันห้ามีขันสี่อยู่คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในดวงวิญญาณอยู่ในดวงจิตดวงใจเราเพียงแต่เปลี่ยนชื่อ ของดวงจิตดวงใจเวลาที่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจพอเวลาร่างกายตายไปดวงจิตดวงใจนี้ไม่มีร่างกายเป็นคู่ครองคู่ก็เรียกว่าดวงวิญญาณไปเหมือนเราใช้ชื่อของอสุภาพสตีเวลาเป็นโสดเราก็เรียกว่านางสาว พอเวลามีคู่แต่งงานเราก็เรียกว่านางจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนสุภาพสตรีเวลามีร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายก็เรียกว่าดวงวิญญาณแต่เป็นดวงเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนสุภาพสตรีที่มีสามีกับไม่มีสามี ก็เป็นสุภาพสติคนเดียวกันดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายก็มีมีนามขันศีลอยู่เหมือนเดิมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนามขันนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ดวงวิญญาณนั้นเสพสุขทุกข์ต่อไปได้ถ้าเสพสุขแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณนั้นว่าเป็นเป็นเทวดาเป็นเทพ เป็นสวนถ้าดวงวิญญาณเสพทุกขเวทนาเราก็เรียกว่าอบายทุกขเวทนาในรูปแบบของความหิวก็เป็นเปรตทุกขเวทนาในความในรูปของความกลัวก็เรียกว่าอสู ล, ลกายทุกขเวทนาในรูปของความชังความเกลียดความชังก็เรียกว่านรก นในช่วงที่ไม่มีร่างกายดวงจิตดวงใจยังเสพสุขเสพทุกข์ผ่านทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในรูปแบบของรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพก็คือรูปที่เราสัมผัสในเวลาที่เรานอนหลับนั่นเองรูปทิพเสียงทิพก็คือคือความฝันนี่เองถ้าเราจะใช้ภาษาที่เราใช้กัน ก็คือความฝันเพราะตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนกับตายไปชั่วคราวตอนนั้นดวงจิตก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปชั่วคราวแล้วก็เสพเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ผ่านสัญญาสังขารวิญญาสัญญาสังขารที่ได้มีบันทึกเอาไว้ตอนที่ มีร่างกายตอนที่ตื่นตอนที่ตื่นนี้เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิัพชนิดต่างๆเราก็บันทึกไว้ในสัญญาในความจำได้หมายรูปพอเวลาเรานอนหลับสัญญาก็จะเอารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะที่ได้ไปสัมผัสนั้นมาแสดงมาให้เสพใหม่ ให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ใหม่ได้ถ้าเราไปทําบุญทําความดีสัญญาก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ดีบันทึกเวทนาความรู้สึกที่ดีเก็บเอาไว้ในใจถ้าเราไปทําบาปไปทําไม่ดีสัญญาก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีบันทึกความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ในใจ แล้วพอเวลาที่ร่างกายอานอนหลับหรือตายไปดวงจิตก็จะอาศัยสัญญานี้เป็นผู้ผลิต เ, เหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาให้ให้ใจได้เสพต่อเพราะใจมีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิธพัมีตัณหาความอยากอยู่ในใจที่เป็นตัวไปกระตุ้นสัญญาให้ดึงเอาภาพต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆที่ได้กระทำไว้ตอนที่มีร่างกายท่านจึงพูดว่าถ้าทำบุญแล้วนอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายเพราะว่าเวลาทำบุญเราบันทึกแต่เหตุการณ์ที่ดีนั่นเองเหตุการณ์ที่ดีบันทึกเวทนาคือความรู้สึกที่ดีไว้ในใจถ้าเราไปทำบาปเราก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ในใจแล้วพอเวลาที่ร่างกายนอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายตายไปนี่สัญญาก็จะเป็นตัวที่สัญญากับสังขารก็จะเป็นตัวที่ผลิตเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาใหม่ขึ้นมาให้ให้จิตได้เสพเพราะจิตมีตัณหาความอยากอยู่ในจิตนั่นเองอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรส ถ้าไม่สามารถเสพผ่านทางร่างกายได้ผ่านทางตาหูจมูกยิ้นกายได้ก็เลยต้องเสพผ่านสัญญาสังขารสัญญาสังขารก็จะเป็นผู้ที่ผลิตเหตุการณ์และความรู้สึกต่างๆขึ้นมาให้จิตได้เสพตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เลยเรียกสถานภาพของดวงวิญญาณ ไปตามความรู้สึกถ้าดวงวิญญาณที่มีเหตุการณ์ที่ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีเราก็เรียกว่าสวรรค์หรือเทพชั้นต่างๆมีความรู้สึกมีความสุขที่มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราไปบันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราไปบันทึกเหตุการณ์ที่ดีมากน้อยมันก็จะฝัง บันทึกเก็บไว้ในใจของเราแล้วก็แสดงออกมาตอนที่ไม่มีร่างกายหรือตอนที่นอนหลับดังนั้นการนอนหลับกับการตายนี่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่านอนหลับนี่เป็นการหลับเป็นการตายเพียงระยะสั้นคือไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็กลับมาสู่ร่างกาย ร่างกายตื่นจิตก็กลับเข้ามารับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะผ่านทางร่างกายต่อแต่ถ้าตายนี่ก็จะเป็นเวลานอนหลับเป็นเหมือนกับนอนหลับยาวนานเพราะว่ากว่าจะได้ตื่นก็ต้องมีร่างกายอันใหม่กว่าที่จิตจะได้ร่างกายอันใหม่เพราะก็ต้องรอไปช่วงที่รอนี้ก็อาศัย สัญญาสังขารเวทนาที่มีในใจนั้นผลิตเหตุการณ์ต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ดวงจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราก็เปลี่ยนจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งช่วงที่รอรับร่างใหม่ก็เป็นช่วงที่เราจะใช้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผลิตเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้บันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปก็จะบันทึกเหตุการ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าทำบุญก็จะบันทึกเหตุการ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีการบันทึกก็เหมือนกับการที่เราถ่ายภาพวิดีโอนี้ ถ้าเราถ่ายภาพวิดีโอไว้นานมันก็จะฉายนานถ้าถ่ายไว้สั้นมันก็จะฉายสั้นถ้าทำบุญน้อยมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีน้อยถ้าทำบุญมากมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีมากมีเหตุการณ์ที่ดีมากเช่นเดียวกับบาปถ้าทำบาปมากมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาก ทำบาปน้อยก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีน้อยช่วงที่เราไม่มีร่างกายมันก็อยู่ที่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ความรู้สึกที่ดีให้จิตใจได้เสกถ้าบาปมีจำนวนมากกว่ามีกำลังมากกว่า บาปก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีให้เสพนั่นเองนี่คือสภาพของจิตใจในช่วงที่ไม่มีร่างกายหรือในช่วงที่ร่างกายนอนหลับจิตใจอยู่จะอยู่ในสภาพของความฝันดีหรือฝันรายฝันดีก็เป็นความสุขชนิดต่างๆมีเหตุการณ์ดีๆให้เราได้ เสพได้สัมผัสเช่นได้ไปเที่ยวได้พบกับคนที่ดีได้ทำอะไรกับคนที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นความรู้สึกที่มีแต่ความสุขส่วนถ้าเราฝันร้ายนี่เราก็จะฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันเรื่องที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่พึงปรานาต่างๆอาจจะไปอยู่ในสงครามอาจจะไปติด อยู่กับในถ้าในเหวหรือเหตุการ์หรือจะไปอยู่ในเครื่องบินที่กำลังตกหรืออะไรต่างๆนี่คือเหตุการณ์ที่มันจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายถ้าเราทำบาปมันจะผลิตหเหตุการณ์ที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวสร้างความรู้สึกความทุกข์ต่างๆให้กับเรา ทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ด้วยความกลัวทุกข์ด้วยความเกลียดชังหรือว่าถ้าเราไปได้ร่างกายถ้าบาปยังมีกําลังมากอยู่บาปก็จะให้เราได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนที่เราจะได้ร่างกายของมนุษย์เราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อนจนกว่าบาปมันจะหมดกําลังที่จะ ส่งผลให้กับจิตใจจิตใจของเราจึงจะได้มารับร่างกายของมนุษย์ใหม่แต่การรับร่างกายของมนุษย์ของจิตใจที่มาจากบาปกับจิตใจที่มาจากบุญก็ไม่เหมือนกันจิตใจที่ได้กลับมาจากการฝันร้ายเวลาได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีได้ชีวิต ที่ไม่ดีเช่นอาภัพวาสนาเกิดมายากจนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสสติปัญญาทึบเป็นต้นอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นมีเวรมีกรรมเยอะ นี่คือพวกที่เป็นดวงวิญญาณที่ทำบาปมากกว่าทำบุญแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายได้ชีวิตที่อาภัพนก่อนจะได้ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก่อนของสัตว์เดรัจฉานก่อนจนกว่าบาปที่ทำไว้มันหมดกาลังลง บทที่จะส่งผลมันก็จะให้เราได้ร่างกายของมนุษย์แต่ก็ยังจะได้ร่างกายที่ไม่ดีเท่ากับพวกที่มาจากการทำบุญพวกที่ทำบุญทำความดีต่างๆช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะฝัดดีมีเหตุการณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีให้เสพภายในจิตใจจนกว่าบุญที่ได้ทาไว้หมดกาลังลง ก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าพวกที่ทำบาปกับมาพวกที่ทำบุญกลับมาเกิดจะได้ร่างกายที่ที่ดีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบ -32 มอีมีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียน มีอายุยืนยาวนานฐานะการเงินการทองก็ดีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสวยงามสติปัญญามีสติปัญญานี่คือแล้วก็จะไม่ค่อยมีศัตรูไม่ค่อยมีเวรมีกรรมนี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่มีวันตายแต่ ที่ยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยากจะให้ดวงวิญญาณของเราต้องกลับมามีร่างกายกลับมาเกิดกลับมาทำบุญทำบาปอย่างที่เราทำกันอยู่นี่เราก็ต้องชำระความโลภความอยากที่เรียกว่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไป เพราะดวงวิญญาณนือดวงจิตของพวกเราที่มาเกิดกันก็เพราะความอยากนี่เองความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทาพะผ่านทางร่างกายก็จะพาให้เราเวลาดวงวิญญาณตอนที่ตายไปพอรูปเสียงกลิ่นรสผลทาพะที่ได้เสพจากบุญหรือบาปหมดแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่ เหมือนมาถ่ายวิดีโอใหม่วิดีโอเก่าดูจบหมดแล้วเอไม่ว่าจะเป็นหนังดีหรือหนังไม่ดีพอดูจบแล้วก็เบื่อแล้วไม่อยากจะดูซ้ําอยากจะดูเรื่องใหม่เราก็ต้องไปที่ร้านวィィิดีโอไปซื้อเรื่องใหม่มาดูเอตอนที่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกายตอนนั้นดวงวิญญาณก็เสพ บุญเสบบะบเสบเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไปจนกว่ามันจะหมดพอหมดแล้วทีนี้ก็ต้องมาเกิดมามีร่างกายเพื่อจะได้มาบันทึกเหตุการณ์กันใหม่มาสร้างเหตุการณ์กันใหม่เพราะความอยากของจิตมันมีความหิวในจิตมีตัณหาความอยากที่จะเสเหตุการณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆ สังเกตดูถ้าเราให้ไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเหตุการณ์ให้เราเสพนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยให้มาอยู่วัดจึงไม่ค่อยอยากจะมากันเพราะไม่มีเหตุการณ์ให้เสพเหมือนกับไปที่โรงภาพยนตร์ไปที่โรงละครไปที่สนามกีฬาไปที่ศูนย์การค้าอันนั้นมีเหตุการณ์มีอะไรให้เสพมากมายจิตมันหิวกับเหตุการณ์เหล่านี้ หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเพราะอํานาจของกิเลสตันหามันจึงไม่อยากจะไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะให้เสพเช่นมาอยู่วัดโดยเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเนี่ยจะเป็นวัดส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ตามป่าตามเขาจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆให้ได้เสพจิตยังไม่ค่อยชอบจิตที่มีตันหาความอยากก็จะ ไม่ชอบที่จะไปอยู่ที่เหล่านั้นต้องพยายามไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่ได้เรื่อยแล้วเวลาตายไปก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกเอาไว้ในสภาพของความฝันไปถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องมาเกิดเพราะการมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะมีร่างกายแล้วมันมีภาระ มีร่างกายก็ต้องดิ้นรนละสิ่งแรกที่ต้องทำเวลาออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเองนะต้องหายใจถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายต้องเอาธาตุเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้อาศัยธาตุสี่ต้องมีธาตุสี่หล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ร่างกายนี้ ผลิตด้วยธาตุสีมาจากธาตุสีมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตอนต้นก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่มารวมกันก่อนธาตุของพ่อของแม่มาผสมแล้วก็มาก่อสร้างร่างกายด้วยด้วยการเติมธาตุของอาศัยธาตุของแม่พอเป็นร่างกายตั้งครรภ์อยู่ในท้องแม่แล้ว แม่ก็มีสายสะดือเห็นไหมส่งอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายส่งธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปสร้างร่างกายทำให้ร่างกายเกิดอาการ32ขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่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 จมูกทางปากเอาลมเข้าทางจมูกเอาดินเอาน้ำเข้าทางปากแล้วพอดินน้ำกับลมมารวมกันก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่คือธาตุสีนอกจากความร้อนที่เกิดจากการผสมของธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ยังได้รับความร้อนจากแสง จากดวงอาทิตย์เราได้รับความร้อนภายนอกด้วยทำให้ร่างกายอยู่ได้ทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้ถ้าขาดธาตุใดท่านหนึ่งไปไม่นานร่างกายก็ต้องหยุดทำงานเช่นถ้าขาดธาตุลมขาดลมหายใจไปนี้หยุดทันทีเลยถ้าขาดธาตุน้ำก็ยังหลายวันอยู่อน้ำได้อาจจะเจ็ดวันสิบวัน ก็ตายได้ถ้าอดธาตุดินก็คืออดอาหารก็หลายวันกว่าธาตุน้ำสี่สิบเก้าวันพระพุทธเจ้าอดอาหารยังไม่ตายแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจะใกล้จะตายแล้วถ้าอดต่อไปพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าต้องตายถ้าก า, าศธาตุไฟนี่ก็อาจจะตายเร็วเช่นหนาวจนแข็งเนี่ยพอถ้าไม่มีความร้อนนี่ มันก็สภาพที่เราอยู่นี้ก็จะกลายเป็นเหมือนขั้วโลกเหนือเหมือนอยู่ในห้องในตู้เย็นแช่แข็งถ้าเราร่างกายไปเข้าไปในห้องตู้เย็นแช่แข็งจะอยู่ได้กี่นาทีเดี๋ยวก็แข็งตายนี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่มันทำมาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟมันต้องมีการผสมที่เหมาะสม ถึงจะอยู่ได้ต้องมีน้ำพอดีมีไฟพอดีมีลมพอดีมีน้ำมีดินพอดีถ้าไม่พอดีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอาการพิกลพิการขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะถึงความตายได้นี่คือเรื่องของร่างกาย ที่พระทำมมาจากธาตุสีแล้วมันก็มีกําหนดเวลามันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งตอนต้นนี้ธาตุสีมันจะรวมกันง่ายแต่พอมันรวมกันเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกันเช่นเวลาที่เกิดมาใหม่ๆร่างกายมันจะรวมตัวกันจเจริญเติบโตกันจนไปถึงผู้หลักโตเป็นผู้ใหญ่ พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วทีนี้มันก็จะเริ่มแยกตัวออกแลธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันนะมันก็จะทำให้เกิดความแก่ชร า, าขึ้นมาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วในที่สุดพอธาตุลมไม่ไม่เข้าร่างกายไม่มีกําลังที่จะสูบลมปลอดไม่มีกําลังจะสูบลม ร่างกายก็หยุดทำงานทันทีเหมือนเราถอดปลั๊กไฟเนี่ยพอถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ก็หยุดทำงานทันทีแล้วก็พอหยุดทำงานแล้วมันก็จะดำเนินการแยกตัวต่อไปพอหยุดทำงานปั๊บธาตุลมก็ไม่เข้าแล้วมีแต่ออกธาตุลมลมที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะค่อยๆระเหยออกมา ความร้อนก็จะออกมาก่อนร่างกายของคนตายไม่กี่ชั่วโมงไปจับดูก็จะเย็นนะนะต่อไปน้ำก็จะออกมาน้ำเหลืองอะไรน้ำเลือดต่างๆที่มีช่องมีวารให้มันออกมันก็จะออกมานะครับปล่อยมันไปนานๆเดี๋ยวมันก็แห้งเหลือแต่ธาตุส่วนที่เป็นธาตุดินมันก็จะแห้งกรอบ ทิ้งไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะผุพังเปื่อยผุกลายเป็นดินไปอนี่คือเรื่องของร่างกายไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ของไขทั้งนั้นเป็นของดินน้ำลมไฟเราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเพราะตอนนี้เราไม่เข้าใจเรื่องของร่างกายกัน เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราไปคิดว่าร่างกายจะอยู่กับเราไปนานๆความคิดแบบนี้ที่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันมาเกิดทุกครั้งก็ต้องมาทุกข์เพราะเราคิดผิดไม่คิดตรงกับความเป็นจริงถ้าเราคิดตรงกับความเป็นจริงเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายแต่เราไปคิดว่าร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร, ร่างกายของเราต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราต้องไม่ตายแต่พอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ทุกข์เราก็เสียใจเราผิดหวังตัวที่ทำให้เราผิดหวังก็คือความอยากของเรานี่เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เลยทำให้ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ทุกข์เนี่ย ร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ร่างกายแต่ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยไปทุกข์กับร่างกายเพราะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นความรู้ที่เราไม่รู้กันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความรู้อันนี้รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นสองคน ร่างกายเป็นคนหนึ่งจิตใจเป็นอีกคนหนึ่งจิตใจมาเกาะมายึดติดกับร่างกายมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขที่มีที่เกิดจากความอยากในใจที่อยากจะหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกิดรสผลตะก็เลยต้องไปมีร่างกาย พอได้ร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายนี้ทำหน้าที่ส่งรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะรับรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะมาให้ใจได้เสพอยู่เรื่อยๆแต่ร่างกายโดยธรรมชาติของมันมันมีการเสื่อมมีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเสื่อมมันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์กัน เพราะใจเราไม่ชอบความเสื่อมใจเราชอบความเจริญเพราะความเจริญนำความสุขมาให้กับใจพอเกิดความเสื่อมมันก็จะทําลายความสุขหรือ ง, งดส่งความสุขมาให้กับใจใจก็เลยทุกข์เพราะไม่อยากให้เสื่อมความอยากไม่ให้เสื่อมนี้เป็นตัวที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่ความเสื่อมของร่างกายผู้ที่เข้าใจว่าร่างกายต้องเสื่อม แล้วห้ามใจอยากให้ไปอยากให้ไม่เสื่อมได้ใจจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อห้ามใจเป็นเป็นคนแรกทรงค้นพบว่าใจทุกข์เพราะว่าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอห้ามความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ใจก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจก็สบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่ทุกข์การที่ใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่อยากกับร่างกายก็คือใจต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่แบบอื่นที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย หาวิธีที่ทำความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบวิธีที่จะหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ให้มาหาความสุขในใจเลยไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกใจตอนนี้ใจของพวกเราไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ก็หลยต้องทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้แต่ถ้าใจหยุดหาความสุขทางร่างกายเพราะมีคะมีความสามารถหาความสุขภายในใจได้พวกเราไม่รู้ว่าภายในใจของพวกเรานี้เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้ผ่านทางร่างกายเพราะมันเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมเหมือนกับความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายอันนี้เราก็ไม่รู้อีกก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้รู้เนี่ยที่เรียกว่าตัดจรู้เนี่ยคือตัดจรู้ว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของพวกเรานีอ่อย่าไปหาความสุขจากเงินทองอย่าไปหาความสุขจากตาแหน่ง เหมือนที่ตอนนี้เขากำลังวิ่งกันเป็นบ้าเป็นบอลไปเตรียมตัวเลือกตั้งเพื่อหาอะไรก็เพื่อหาความสุขจากการได้รับตำแหน่งได้เป็นสอสอได้เป็นนททัฐทนตตีได้เป็นนายกพอได้แล้วก็เลี้ยงกันเจ็ดวันเจ็ดคืนมีความสุขมากเพราะเขาไม่รู้วิธีอื่น น, นั่นเองเขารู้วิธีนี้พวกที่เล่นการเมืองนี้ กี่พบกี่ชาติเขาก็ต้องเล่นการเมืองเห็นไหมปฏิวัติกี่ร้อยครั้งพอพอพอเลิกปฏิวัติเมื่อไหร่เขาก็กลับมาเล่นการเมืองต่อเล่นไปจนกว่าจะถูกปฏิวัติพอถูกปฏิวัติก็หยุดเล่นไปชั่วคราวพอเขาเปิดโอกาสให้มาเลือกตั้งใหม่พวกเดิมก็โผล่ขึ้นมาอีกไหมพวกนี้ตั้งกี่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่ก็เห็นพวกหน้าเก่าๆนี่กนะ็พวกเขารู้จักวิธีหาความสุขของเขาแบบนี้ฮะ เขาหาความสุขจากการมีตำแหน่งมียศเนี่ยเขาก็ต้องเลือกตั้งถ้าพวกที่ไม่เลือกตั้งก็ต้องไปหาตำแหน่งจากการเป็นข้าราชการไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจเนี่ยก็ก็มียศมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปตามลาดับอันนี้ก็เพราะว่าเขารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้เท่านั้นแต่เป็นวิธีที่จะต้องอาศัยร่างกายกับทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองทางการราชการหรือทางเอกชนเอกชนก็มีตาแหน่งเหมือนกันมีหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าภาคหัวหน้าอะไรขึ้นไปก็เหมือนกันพวกนี้ก็หาความสุขจากตาแหน่งต่างๆเหมือนกันต้องอาศัยร่างกายเหมือนกันพอร่างกายหมดสภาพเขาก็ปลดออกใช่พออายุหกสิบทำงานไม่ได้เต็มที่เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว เขาก็บอกว่าให้กเกษียณอายุละนี่คือการหาความสุขผ่านทางร่างกายจะต้องมีวันที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเหมือนคำพูดที่พูดว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงจะจัดงานเลี้ยงกันกี่ครั้งกี่หนเดี๋ยวมันก็ต้องจบ <c oughs> เพราะร่างกายมันอยู่ไปไม่ได้ตลอดเราต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นตัวเป็น เป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงต้องมาทุก์กับร่างกายกันมากเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายของเราแก่เจ็บตายเพราะเวลาแก่เจ็บตายนี้ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ตอนนั้นเราจะอยู่แบบเคร่งคว้างอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่อย่างไม่มีความสุข ถ้าถ้าไม่รู้จักหักห้ามจิตใจก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันก็นได้สมัยนี้ประเทศที่จเจริญแทนที่จะคิดค้นวิธีอยู่ตอนแก่ให้สบายกับคิดไม่เป็นกับคิดหาวิธีฆ่าตัวตายเวลาที่แก่เวลาที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็ไม่อยากจะอยู่แบบทรมานตอนนี้กำลัง พยายามออกกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้นี่คือสภาพของคนที่ไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าผ่านทางร่างกายที่ทุกคนสามารถหาได้แต่ไม่รู้จักหากันแเดี๋ยวนี้ทางประเทศที่เขาเจริญเขาเริ่มเข้ามาศึกษาทางประเทศด้ยพัฒนาอย่างของพวกเรา เราได้พัฒนาทางร่างกายแต่เราก้าวหน้าทางพัฒนาทางจิตใจเดี๋ยวนี้เขามาฝึกหาหาวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายเขาเห็นเรานั่งสมาธิฝึกสติตอ น, นี้เขาเอาไปใช้กันละในต่างประเทศเดี๋ยวนี้เพราะเขาเครียดมากเขาทุกข์มากถึงแม้ว่าทางร่างกายทางวัตถุนี้เขาจเจริญมาก มีอะไรเยอะแยะไปหมดจะกินกี่เวลากี่นาทีกินได้แต่จิตใจมันไม่สุขตามร่างกายร่างกายยิ่งสุขจิตใจ ย, ยิ่งทุกข์เพราะว่าร่างกายมันสุขมากเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยกินมากมากเดี๋ยวน้ำหนักเกินมันก็มีโรคต่างๆตามมาเขาเดี๋ยวนี้พวกที่ฉลาดก็มาศึกษาทาง ทางศาสนาทางตะวันตกทางตะวันออกซึ่งศาสนาพุทธ ศ, ศาสนาฮินดูนี่จะมีการฝึกสมาธิกันฝรั่งจึงชอบมาเที่ยวอินเดียมาเที่ยวทิเบตมาเที่ยวเมืองไทยมาหาวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้สมาใช้ร่างกายเพราะเขารู้ว่าต่อไปเวลาเขาแก่ เขาใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้เขาจะได้มาใช้วิธีวิธีที่เกิดจากการทำใจให้สงบเขาก็จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายมีสองพวกพวกที่ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจเขาก็อยากจะหาวิธีตายแบบง่ายๆตายแบบไม่ทรมาน พราเวลาแก่ไปเจอโรคบางอย่างนี่มันไม่ตายทันทีแต่มันจะทรมานมันจะเจ็บจะปวดเช่นเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างนี้มันไม่ตายทันทีแต่เขาไม่อยากจะทรมานเขาก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้มันเป็นการวิธีแก้ปัญหาที่ผิดที่ศาสนาห้ามไว้ไม่ให้ไม่ให้แกทุกศาสนาจะสอนให้ ทำใจให้สงบกันเวลาจะตายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตความสุขได้ก็ให้อาศัยพระเจ้าบ้างอาศัยการสวดมนต์บ้างการการนั่งสมาธิบ้างอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ในระดับต่างๆกันนี่คือ เรื่องของร่างกายกับจิตใจของพวกเราเวลาที่มารวมกันเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นยุคทองยุคนั้นหาความสุขกันเช่นตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยุคทองนะักตั้งแต่วันแต่งงานนี่เป็นเป็นวันของยุคทองเป็นขีดสูงสุดของชีวิตคือการแต่งงานกันชาสามารถหาความสุขได้ทางผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่พอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะเข้าสู่วัยชราต่อไปพอวัยชราเข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้มันก็ไม่ใช่เป็นยุคทองแล้วเป็นยุคทุกข์แล้วจะต้องเจอกับความทุกขนะ์หลายรูปแบบด้วยกันถ้าไม่รู้จักหาความสุขในรูปแบบอื่นก็จะทรมานใจ และอาจจะทนไม่ไหวก็อยากจะฆ่าตัวตายกันอันนี้แต่ถ้าพวกเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยเพราะมันจะไปจบที่ความทุกข์กัน นบ้านปลายของชีวิตหรือบางทีไม่ถึงบ้านปลายด้วยซ้าไปช่วงไหนที่เราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นอาจจะขาดเครื่องไม้เครื่องมือนอกจากมีร่างกายแล้วเรายังต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงอะไรที่ไหนไม่ได้ไปมันก็มันก็เหมือนกับคนคนคนแก่คนเจ็บ ถึงแม่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่มีเครื่องมือไม่มีเงินทองที่จะมาสนับส น, นุนการหาความสุขมันก็ตายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เหมือนกันคนบางคนสูญเสียข้าวของเงินทองหมดเนื้อประดาสิ้นเนื้อประดาตัวก็คิดฆ่าตัวตายกันก็มีฆ่าตัวตายกันไปก็มีพอไม่สามารถที่จะอยู่แล้วหาความสุขได้ คอยหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองพอไม่มีเงินทองก็เลยไม่รู้วิธีหาความสุขแบบอื่นว่าเขาหาความสุขอย่างไรไม่รู้ว่าทำไมขอทานเขาถึงอยู่ได้ทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายขอทานเขาก็อยู่ตามเพราะเขารู้จักทำใจนั่นเองเขามีน้อยเขาก็ใช้น้อยเท่านั้นเองแต่คนที่เคยมีมากใช้มากแล้วอยู่ดีๆจะมาให้ใช้น้อยนี่มันใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้นี่คือปัญหาต่างๆของใจของพวกเราที่มาเกาะติดกับร่างกายการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้แหละเพราะมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะต่อไปตั้งแต่เกิดมันก็มีปัญหาแล้วปัญหาเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปัญหาเรื่องปกป้องรักษาชีวิตจากภัยต่างๆ คนบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็โดนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายไปก็มีบางคนก็เจออุบัติเหตุพ่อแม่ดูแลไม่ดีบอกให้ลูกอยู่ตามลำพังทาอะไรเดี๋ยวก็ไปตกขอบเตียงเลือตกอะไรตายไปก็มีไปจมน้ำตายก็มีบางบ้านมีสระน้ำเผลอหน่อยลูกไปเล่นน้ำว่ายน้าไม่เป็นตกน้ำลงไปก็ตายก็มี เนี่ยการมาเกิดมันมีทุกรอบด้านตั้งแต่เกิดเลยไม่ใช่จะมาทุกเฉพาะตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายเท่านั้นคนที่เบื่อการเกิดเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาของการมาเกิดได้ เ, เช่นพระพุทธเจ้านี่เบื่อการเกิดเพราะ เห็นว่าสภาพของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปทำให้พระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดยึงทำให้พระพุทธเจ้าต้องไปค้นคว้าหาวิธีที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดวิธีที่จะไม่ทำให้มาเกิดก็ต้องไม่มีไม่มีไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง ก็ต้องไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ừ. พวกนักบวชนี่เขาไปหาความสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่งหยุดความคิดหยุดความอยากได้ความสุขก็ปรากฏขึ้นมา ừ. เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย ừ. มีน้ําหนักมากกว่า ừ. ถ้าเปรียบเทียบน้ําหนักของความสุข ความสุขทางร่างกายอาจจะสิบสิบหน่วยแต่ความสุขทางจิตใจนี้มันร้อยหน่วยพันหน่วยมันมีความรู้สึกหนักกว่านั่นกว่ามั่นคงกว่าแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ก็มีแต่คนที่รู้วิธีหาแบบชั่วคราวคือแบบที่นั่งสมาธินี่เวลาเข้าไปในสมาธิ ใจก็จะมีความสุขชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวพอเกิดความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาใหม่ความสุขที่ได้ก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้เกิดทให้ความสุขที่ได้จากสมาธิหายไปหรือรู้ก็ไม่รู้วิธีกำจัดเหมือนอาจจะรู้ว่าเป็นความอยากนี้เองที่ทำให้เกิด ทำายทาให้ความสงบที่ได้หายไปพอออกจากสมาธิมาพอเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีเวลาอยู่ในสมาธิใจเย็นใจสบายใจอิ่มพอออกมาได้ข่าวว่าเขาจะให้เลือกตั้งแล้วนี้ใจร้อนขึ้นมาเคยไปอยู่วัดได้สบายเข้าสมาธิได้พอมีข่าวว่าจะมีเลือกตั้งแล้วเพื่อนโทรมาบอกว่ารีบเตรียมตัวไป สมัครได้แล้วทีนี้ใจร้อนขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิไม่ได้แล้วถ้ายังมีความอยากที่จะลงลงเล่นการเมืองอยู่แต่ถ้าหยุดตัดความอยากการเล่นการเมืองได้ด้วยการมองเห็นปัญญาว่าการเมืองมันก็ของชั่วคราวไม่แน่นอนได้เป็นเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ถูกเขาล้มกระดานอีกก็ต้องกลับมาอยู่วัดอีก เดี๋ยวก็กลับเข้าออกอย่างนี้อย่าไปดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่ไปทําไมอย่าไปมันดีกว่าอันนี้เรียกว่าปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็หมดไป อ, อย่าไปเอามันดีกว่าเลิกมันดีกว่าพอเปลี่ยนใจได้ว่าไม่เล่นการเมืองแล้วตัดสินใจจะนั่งสมาธิต่ตอไปดีกว่า มันใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทองคนพบว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วใจหายสงบก็เพราะความอยากนี่เองแล้วถ้าต้องการให้ใจกลับไปสู่ความสงบก็ต้องเลิกความอยากหยุดความอยากเปลี่ยนใจอยากได้อะไรก็ต้องเปลี่ยนใจอยากสู่บรีก็ต้องเปลี่ยนใจไม่สู่อยากดื่มสราก็เปลี่ยนใจ อยากไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจอยากไปช้อปปิ้งก็เปลี่ยนใจอยากไปทำอะไรก็เปลี่ยนใจอยากได้อะไรก็เปลี่ยนใจอยากไปเอามันถ้าเปลี่ยนใจได้พอเห็นต้องเห็นการที่จะเปลี่ยนใจได้ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นัน้นมันแค่ของชั่วคราวเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่หมดก็เปลี่ยนไปเลื่อยความหมายไปของบางอย่างแล้วเวลาเห็นอยู่ในร้านี่อยากได้ พอได้มาเป็นของเราเนี้มันไม่มีความหมายัล้วกองไว้ในบ้านเต็มไปหมดแต่เวลาอยู่ในร้านนี่เห็นแล้วมันอยากได้เวลามันไม่ได้เป็นของเรานี่อยากได้พอมันเป็นของเราแล้วเบื่อไม่อยากได้นะ้วนี่ใจมันหลอกเราความอยากมันหลอกเราได้ความสุขเดียวเดียวได้ความสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีความหมาย ไม่ให้ความสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆจึงต้องไปหาของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆของเก่าเลยเต็มบ้านไปหมดนะอันนี้ก็เป็นความปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นความสุขที่แบบควันไฟเดี๋ยวๆได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวๆได้ไปเที่ยวก็มีความสุขเดี๋ยวๆพอกลับมาอยู่บ้านก็เหงาเหมือนเดิมว่งวางเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิม ได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือจากเราไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้แล้วพอมันไม่เที่ยงมันหมดไปสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจความเศร้าใจความเสียใจความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเหงาความว้าเหวความหดหู่ใจเนี่ย มันจะเกิดเวลาที่เราสูญเสียความสุขที่เราได้มาไปความสุขทุกชนิดในโลกนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรเรียกว่าอนัตตาเป็นของเราชั่วครา ว, วเดี๋ยวมันก็หมดไปบางทีมันไม่หมดเราก็มันก็เราก็เบื่อมันขึ้นมาก็ได้ น, นี่คือให้มองเห็นด้วยปัญญาว่า ถ้าเราอยากแล้วเราไปทำตามความอยากเราจะต้องไปเจอความทุกข์แล้วความอยากก็ไม่หมดด้วยความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาคอยสร้างความกัวงวลสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนความอยากได้เปลี่ยนจากความอยากบางเป็นไม่อยากยกเลิกความอยากได้ไม่เอาอยากจะได้กระเป๋าก็ไม่เอาอยากจะได้อะไรก็ไม่เอาถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็ไม่เอา นอกจากของจาเป็นต้องเอาก็เอาเท่าที่จาเป็นแต่สิ่งที่ไม่จาเป็นไม่ต้องเอามันแล้วต่อไปความอยากที่จะได้สิ่งที่ไม่จาเป็นต่างๆมันจะหมดไปเพราะเราไม่ตอบสนองความอยากแล้วความอยากไม่โผล่ขึ้นมาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็จะไม่หายไปมันก็จะอยู่กับเราไปจนกลายเป็นความสงบที่ถาวรทำ ทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วความสงบที่เราได้นี่มันจะไม่หายไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาทำลายมันนั่นเองตัวที่มาทำลายก็คือความอยากต่างๆของเราความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วเรียกว่ากามตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยเรียกว่าภาวะตัณหา ถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ต้องไปลงสมัครเลือกตั้งถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องไปลงทุนไปทำการค้าทำมาหากินตอนนี้แข่งประมูลเห็นไหมรถไฟความเร็วสูงกันรวยขนาดไหนแล้วก็ยังไม่พอยิ่งรวยยิ่งอยากรวยขึ้นเพราะมีกำลังลงทุนได้มากขึ้นมีเงินมากก็เลยมีกำลังที่จะลงทุนกับโครงการใหญ่ ก็ยิ่งจะรวยยิ่งขึ้นไปใหญ่แต่รวยแล้วแต่เวลานอนหลับนี่นอนไม่ค่อยหลับะก็เรียกว่านอนกายหน้าผากเอาเท้ากายหน้าผากเพราะมีเรื่องกังวลเยอะเวลาลงทุนเวลาทําการค้านี้มีตัวแปรเยอะมีความไม่แน่นอนเยอะอมันนี่ถึงแม้จะได้เงินทองมาแต่ความรู้สึกในใจนี้มันไม่สุขมันไม่สบายเหมือนกับเวลานั่งสมาธินะ นังสมาธินี้ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาเลยแต่เรื่องเป็นใหญ่เป็นโตเรื่องร่ํารวยนี่มันมีปัญหาต่างๆให้มาวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่คือการใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูความสุขสองรูปแบบว่าอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเลิกความอยากต่างๆได้เพราะจะเห็นว่า ถึงเมื่อจะได้ความสุขจากสิ่งต่างๆแต่มันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยมันมีเรื่องให้ปวดหัวพ่วงมาด้วยได้เงินทองมาได้โครงการมากว่าจะสําเร็จโครงการนี้ต้องปวดหัวกับเรื่องราวต่างๆไม่รู้กี่เดือนกีป่ปีกว่าจะสําเร็จโครงการได้แล้วพอสําเร็จโครงการแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกล้วอยากจะได้โครงการใหม่ ทั้งๆที่ทุกแสนทุกก็ไม่เบื่อลืมไปความอยากนี่มันทำให้เราลืมความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ใช้ปัญญาแล้วเราจะถูกความอยากหลอกให้เราวิ่งไปหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาใช้ความจำกับความทุกข์ที่เราต้องต้องเจอมันที่มันผ่านมามันมันคุ้มอะไรกัน สิ่งที่เราได้ก็แค่เป็นตัวเลขเท่านั้นเลได้เลขศูนย์เพิ่มขึ้นอีกเลขสองเลขเท่านั้นเองต่อท้ายก็มีหกหลักก็เป็นเจดหลักก็มีแปดหลักก็เป็นเก้าหลักสิบหลักไปเท่านั้นเองแต่ก็กินอยู่เหมือนเดิมก็วิ่งวุ่นวายจิตใจก็เหมือนเดิมวิตกกังวลกับเรื่องเดิมยังวิตกกังวลกับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังวิตกกังวลกับเรื่องสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่ มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรการที่ได้ตัวเลขมาหรือการที่ได้ดวงดวงดาวติดไว้บนบา่าจากในร้อยเป็นในพันเป็นในหมื่นในแสนมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงให้ความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่นี่อยู่ในใจอยู่ก็ยังวุ่นวายใจยังวิตกกังวลยังหวาดวกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนี่คือความสุขที่เราได้รับจากการที่เราทาไปทาตามความอยาก ความอยากมันต้องการให้เราหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็ต้องมีร่างกายอยากให้เราเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้เราร่ำให้รวยมันก็ต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์มากังวลกับร่างกายเพราะเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายเห็นไหมเป็นหาเศรษฐีถึงเวลาก็ตายไปตายไปเงินทองที่หามาแทบเป็นแทบตายก็เอาไปติดตัวไม่ได้แม้แต่บาทเดียว ยิ่งให้คนอื่นไปหมดตัวเองก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปเกิดชาติหน้าก็ไปเริ่มต้นที่ศูนย์แต่คนที่ฉลาดคนที่คิดว่าถ้ายังต้องกลับมาเกิดก็ต้องกลับมารวยก็เอาเงินที่มีอยู่นี่แบ่งไปทำบุญบ้างเพราะการทำบุญนี้เป็นการลงทุนในอนาคตในภพหน้าชาติน้าขอกลับมาเกิดใหม่จะร่ำรวยกว่าเก่าอันนี้ ก็รวยกว่าเก่าหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าทําบุญมากหรือทําบุญน้อยถ้าทําน้อยก็ จ, จะไม่รวยกว่าเก่าอาจจะรวยเท่าเก่าแต่จะไม่ยากจนนะถ้าได้ทําบุญแล้วจะมีมีเหมือนกับมีพันธบัตรรัฐบาลที่ว่าเก็บไว้เวลาที่เราต้องการเงินเราก็เอาไปขายไปเบิกได้บุญนี้เป็นเหมือนพันธบัตรรัฐบาลเป็นเหมือนหุ้นเป็นเหมือนเงินฝากในธนาคาร พอยังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังมีเงินรอเราอยู่อย่างพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่แต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อจะมาเกิดท่านทำเพื่อจะไม่มาเกิดแต่ท่านยังไม่รู้วิธีว่านอกจากทำบุญแล้วมันต้องมีวิธีอื่นด้วยตอนนั้นท่านก็พุ่งไปที่การทำบุญอย่างเดียวพอตายไปท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เป็นราชกุมารแต่เป้าหมายของท่านไม่ได้อยู่ที่การมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตบร่ร่ำมารวยท่านต้องการที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้เขาจะพยากรณ์ว่าถ้าอยู่เป็นไหนถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นมาหาจั ก, กรพรรดิท่านก็ไม่อยากเป็นท่านอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เลยไปบวช ก็ได้เป็นสาสดาตามที่เขาได้ทำนายไว้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ในวังก็จะเป็นมหาจักรพัทถ้าออกบวชก็จะเป็นบร ม, มสาสดาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นบรมสาสดาหรือไม่สิ่งที่สนใจก็คือไม่อยากจะมาเกิดเท่านั้นเองต้องการหยุดการเกิดแก่เจ็บตายการหยุด ความสามารถที่หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้จึงทำให้พระองค์เป็นพระบรมศาสดาเพราะเป็นคนที่มีความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนั่นเองสอนให้คนรู้จักวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้พวกเรานี้เป็นหนี้พระพุทธเจ้ามากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้จักวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราก็จะเวียนไปเวียนมาเป็นดวงเวีญาลอยไปลอยมา มีร่างกายบ้างไม่มีร่างกายบ้างมีร่างกายก็ทุกกับร่างกายไม่มีร่างกายก็ก็อยู่กับความฝันอยู่กับสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในใจถ้าทำดีก็ฝันดีถ้าทำไม่ดีก็ฝันไม่ดีก็วนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเราได้มาพบคำสอนแล้วนี่เรามีทางออกแล้วมีทางยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว มีการหยุดการท่องเที่ยวของดวงวิญญาณของเราละการล่องลอยของดวงวิญญาณของเราด้วยการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการฝึกจิตทำจิตให้สงบแล้วก็สอนจิตให้เลิกความอยากต่างๆด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขพอเราทำได้ต่อไปจิตของเราก็ไม่ล่องลอยจิตจะอยู่กับที่ไม่ไปเป็นอะไรอต่อไปก็เรียกว่าเป็นนิพพานไป เป็นนิพพานที่มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่มีส่วนประกอบอยู่5ส่วนที่เรียกว่าขัน5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะก่อภพก่อชาติก็ได้หรือเอามาใช้ในการตัดภพตัดชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะเอาไปใช้กับการเกาภพบกาะชติเอาไปใช้กับการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีความรู้จากพระพุทธเจ้าเราก็จะเอามาใช้ในการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็เรามีทางเลือกสองทางก็ให้นำเอาไปพิจารณาดูการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาอยากขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมมิตาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อะราโสยะธาสปิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติ อายุวันโอสุขังภาลังอ่าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กสามร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยสามสิบเอดวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดผู้รับฟังบนเขาเก้าสิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดท่านค่ะอ๋อวันนี้เยอะนะเดื้อยกว่า เอาเลยเอาเลยเออ่ะจะถ่ายก็ถ่ายอา่ะอะตากล้องถ่ายก็หน่อยอมีหลายอย่างมีทั้งรูปประธรรมนามธรรมรูปก็เอาธรรมะก็เอาเอา่ามีใครอยากจะถามคำถามไหมอยกสงสัยอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจถามต่อได้อ การฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งการถามตอบปัญหาธรรมก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเรียกว่ากาเลนะธรรมสาคัตฉาการฟังธรรมเรียกว่ากาเลนะธรรมะสวังทั้งฟังธรรมทั้งถามตอบปัญหาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้รู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเรื่องที่เรารู้แล้วไม่เข้าใจก็ถามให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาทำให้จิตใจผ่องใสสงบนี่คืออา น, นิสงส์งการการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการคุยธรรมะกันถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านเข้ามาถามก่อนคำถามจาก YouTube คุณปนัดดาค่ะ น้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะใครอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าสัญญาณเก่าทำไมถึงตามมาถึงชาตินี้คะอ่ามันก็อยู่ในใจเราแ่ะเพื่งเราจะนึกถึงมันหรือเปล่านึกถึงมันมันก็โผบางทีต้องไปเจออะไรมันถึงจะโผล่ขึ้นมาเห็นรูปบางอย่างก็นึกถึงอดีตได้ได้ยินเสียงบางอย่างก็นึกถึงอดีตขึ้นมาได้เห็นคนที่เคย ห็นคนที่หน้าตาคล้ายๆกับคนที่เราเคยเห็นมามันก็จะทำให้เรานึกถึงคนนั้นได้นั้นมันสัญญามันมีอยู่ในใจเราเพียงแต่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับมีอะไรไปกระตุ้นมันหรือเปล่าคำถามต่อไปค่ะบุคคลที่อยู่ในขั้นโสดาปฏิมัยังไม่ถึงขั้นโสดาปฏิผลแล้วตายก่อนชาติต่อไปเราจะกลับมาเริ่มต้นอย่างที่ อย่างที่ใหญ่เจ้าคะก็ะทำต่อเคยทำยังไงต่อสอบเป็นท่านไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าก็ไปสอบใหม่หรือย้ายไปอยู่เมืองอื่นก็ไปสอบเป็นท่านที่เมืองอื่นต่อได้ความรู้เดิมมีอยู่ไม่หายไปไหนความรู้ในทางปัญญาที่มีอยู่ไม่หายไปไหนแต่ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นยังไม่เห็นขันห้าคือชีวิตจิตใ จ, จของพวกเราร่างกายชีวิตจิตใ จ, จว่าไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตัวเราของเราคำถามต่อไปจะคุณสัพพรสีค่ะโยมทําบุญช่วยค่าอาหารเป็นประจําทุกเดือนให้กับวัดแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้โยมไม่มีเงินส่งไปทําบุญแต่จะไปอยู่วัดเพื่อช่วยทํางานให้กับวัดแทนแรงงานของโยมสามารถชดใช้สัญญาที่เคยส่งเงินให้วัดทุกเดือนได้ไหมเจ้าคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราสัญญาอย่างไร ถ้าสัญญาว่าทําไปจนกว่าไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินก็ไม่ต้องทาก็หมดสัญญาไปโดยปริยายไม่ต้องไปทํางานเพื่อที่จะใช้ต่อการทํางานก็เป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนกับการทาทาทาเงินด้วยการใช้เงินแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณจินขอบค่ะกราบนมัส ก, การครับ กราบเรียนถามดวงวิญญาณพระอระหันยังมีขันธ์สี่อยู่ไหมครับมีเหมือนดวงวิญญาณของปุทุชนเพียงแต่ว่าของท่านท่านไม่ปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหาไปทางความอยากไม่อยากได้นูน่นอยากได้นี่ไม่อยากดูนั่นฟังนี่ท่านหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความคิดปรุงแต่งก็เลยไม่คิดไปปรุงแต่งไปหาเพราะท่านมีความสุขที่ได้จากความสงบ ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปได้จากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆท่านก็เลยไม่ปรุงไปไม่คิดไปในทางนั้นท่านยังคิดอยู่พระพุทธเจ้ายังใช้ความคิดแต่คิดในทางธรรมะเอาธรรมะมาสั่งมาสอนพวกเราก็ต้องใช้ความคิดเพราะถ้าจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรมันไม่มีอะไรพูดอะไรไม่ออกเวลาจิตสงบมันไม่มีอะไรให้พูดมันไม่มีเรื่องให้พูดจะมีเรื่องก็ต่อเมื่อคิดแล้วจา นึกถึงอดีตนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นวันนี้ก่อนจะมาพูดก็ต้องนึกก่อนว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีพอนึกแล้วว่าจะพูดเรื่องขันห้ามันก็คิดไปนะคิดถึงเรื่องขันห้าก็พูดปรุงแต่งไปเกี่ยวกับเรื่องขันห้าไปอันนี้ก็ใช้ความคิดใช้นา ม, มาขันเหมือนกันแต่เวลาไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ก็หยุดมันได้ต่างกับปุถุชนหยุดไม่ได้ บางทีไม่มีธุระจะต้องคิดก็ยังคิดอยู่นั้นไม่มีเรื่องต้องคิดก็ยังคิดอยู่นั้นแอ่ผู้ที่ฝึกขัดฝึกสติจนสติเป็นสนติเต็มร้อยนี่หยุดความคิดได้เวลาที่ต้องการให้มันหยุดเนี่ยหรือถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดในเรื่องที่ไม่ทำให้ปวดหัวได้ไม่ปล่อยให้มันไปคิดในเรื่องที่ทำให้เกิดความปวดหัวเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่าง คำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงค่ะการนําเงินไปช่วยญาติพี่น้องได้บุญเหมือนกับบุญในพุทธศาสนาหรือเปล่าคะได้ได้เป็นการเสียสละเหมือนกันต่างกันตรงที่ประโยชน์ที่เราให้กับกับใครเท่านั้นเองให้กับพี่น้องพี่น้องก็ได้ประโยชน์ไปให้กับวัดวัดก็ได้ประโยชน์อยู่ที่ว่าเราต้องการจะสนับสนุนใครสนับสนุนพี่น้องเราก็ให้พี่น้องสนับสนุนวัดเราก็ให้วัดไป คำถามต่อไปจากคุณจตุรนค่ะกระผมฝึกนั่งภาวนาพุโทโธมานานแล้วแต่จิตไม่ค่อยสงบอยู่ที่บ้านไม่ค่อยไปไหนพอมีงานอะไรที่มีคนเยอะๆมักจะกลัวพูดไม่ค่อยออกยิ้มไม่ค่อยออกสติไม่ค่อยจะดีอยู่แบบที่รู้รู้รู้สึกว้าเหวและกลัวจะเป็นบ้ากระผมควรทําอย่างไรต่อขอความการุณาด้วยครับก็พยายามฝึกสติให้เรื่อยๆ ถ้ามีสติก็จะควบคุมความคิดที่จะทำให้เป็นบ้าได้ถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจได้ก็จะอยู่แบบไม่เหงาไม่ว้าเว่อยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขได้คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหากมีบุคคลใดเขียนข้อความในทางไม่ถูกไม่ควรต่อพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเตือนสติให้เขาระมัดระวังในความคิด และการเขียนข้อความที่ไม่สมควรนั้นอย่างไรเจ้าคะเพราะความคิดที่คิดเช่นนั้นเป็นการปารมีในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะในการแก้ไขความคิดและการกระทำนั้นด้วยเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาก็รับผลของการกระทาของเขาเองการบอกการสอนก็ต้องอยู่ที่ว่าคน คนได้รับการบอกการสอนจะยินดีฟังหรือไม่ถ้าไม่ยินดีฟังก็พูดไปก็เสียน้ำลายเปล่าเหมือนเทน้ำใส่แก้วที่มันคว่มอยู่เทไปเท่าไหร่มันก็ไม่รับน้ำไม่แต่ยดเดียวต้องให้แก้วมันหงายขึ้นมาถึงจะเทน้ำใส่แก้วได้ถ้าเขาไม่ฟังก็เหมือนกับเขาเอาความความหูความใจเขาก็าไม่รับเสียงไม่รับเรื่องที่เราจะบอกเขา บอกเขาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณดิศยาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเพื่อนเรามีปัญหาและระบายกับเราเป็นชั่วโมงเกือบทุกวันเป็นเวลานานเกือบปีจนเรารู้สึกเครียดแทนเราจำเป็นต้องอดทนฟังต่อไปหรือไม่คะการหลีกเลี่ยงไม่ฟังเป็นทางออกหรือไม่คะการฟังนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสาหรับเขาอะ คนเราควรจะสอนเขาดีกว่าถ้าเราสอนเขาได้สอนให้เขาแก้ปัญหาของเขาถ้าสอนไม่ได้ก็อย่าไปฟังบอกว่าไม่ว่างมีธุระต้องไปทําเออันนี้พูดไปในเพื่อนระบายจิตที่ฟุ้งซ่านควรจะสอนให้เขาหยุดคิดปรุงแต่งดีกว่าให้เขาพุทโธพุทโทดีกว่าอย่ามาระบายระบายไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีหมดวิธีที่ให้มันหมดก็หยุดมันพุทโธพุทโธไป แล้วใจจะสบายกว่ามาระบายแต่ถ้าเขาสอนเขาไม่ได้ก็บอกให้เขาไประบายที่อื่นไปอัดไว้ในเครื่อง p อฟโฟ e ก็ได้ถ้ามีไ h โฟนก็พูดกับ p h o ฟนไปแล้วก็ส่งไปออนไลน์ใครอยากจะฟังใครก็ฟังโพสไปในเฟซบุ๊กเลยนี่เราก็ระบายเนี่ยไหมวันหนึ่งมีคนมาฟังแล้วหกเจ็ดร้อยคน <laughs> คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณคุณธรรมค่ะถ้าอยากไปปฏิบัติธรรมเป็นกิเลสไหมคะไม่เป็นอะอันนี้เหมือนคนที่ไม่สบายไปหาหมอเนี่ยไม่เป็นกิเลสคนไม่สบายไปเที่ยวเนี่ยเป็นกิเลสเพราะจะตายไม่ใช่อะไรจะไม่หายแต่คนที่ไม่สบายแล้วไปหาหมออยากไปหาหมอเนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นโมหะอวิชชาความหลง <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณดิศยาค่ะถ้ารู้สึกเครียดและกดดันที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาบังคับทุกอย่างทุกเรื่องและบอกว่าชีวิตเราเป็นของท่านถ้าไม่ทําจะโมโหร้ายทำร้ายข้าวของฝึกจะฝึกคิดอย่างไรไม่ให้เครียดและหดหูคะก็ปล่อยก็พูดไปส่วนเราจะทําตามเขาหรือไม่ก็เรื่องของเราก็พูดก็นั่ง ฟังให้เขาพูดให้เขาระบายพอเขาเสร็จแล้วเราก็ไปทําตามเรื่องของเราเราไม่พอใจกับเรื่องของเขาอย่างนี้เราก็ไม่เครียดเราไปเครียดเพราะเราไปบ้าตามเขาเขาบอกให้เราทําอะไรจาต้องทําตามที่เขาบอกพอเราทําไม่ได้เราก็เครียดไม่อยากทำํำเราก็เครียดก็อย่าไปทําเด็ดถ้าไม่อยากทำํำเราก็อยา่าทํำตราบใดที่การกระทําของเรามันไม่เสียหายไม่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมกับใครก็ทําไปของเรา เขาจะไม่ชอบกับเรื่องของเขาสมมตินะสมมติเราเราเป็นกระเทยเขาอยากให้เราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็เราเป็นไเป็นไม่ได้เขาพูดปากเปียกปากฉี่ไงเราก็ฟังก็พูดไปอย่าไปให้เขากดดันเราถือว่าเขาเป็นพ่อแม่เราเขามีบุญคุณกับเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่คิดเขาไม่รู้ว่าโลกนี้มั น, ม, นมีหลายเพศนอกจากหญิงจากชายแล้วมันมีนมเพศอื่นด้วย เมื่อเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาเขาไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาก็จะพูดปากเปรียกปากฉี่ไงก็ปล่อยเขาพูดไปส่วนเราจะไปทําอะไรก็เรื่องของเราไปนั่นนี่ไม่เสียหายไม่ได้เป็นการลบหลู่หรือไม่ได้เป็นการเคารพเนี่ยเพราะเราทําในสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราไม่ทําไม่ได้จะให้เราทําได้อย่างไรถ้ามันไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายตรงไหนมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างไรแต่เราไปห้ามเขาพูดไม่ได้ เขาอยากจะพูดอย่างไรก็ให้เขาพูดไปแล้วก็ทนนั่งฟังไปถ้าไม่อยากจะฟังก็สวดมนต์ไปภายในใจพุโทโธไปภายในใจเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาเมื่อยเขาก็หยุดเองถ้าเราไม่ไปตอบโต้เดี๋ยวเขาหยุดง่ายถ้าไปโต้ตอบเดี๋ยวมันหยุดมันไม่ยอมหยุดยิ่งไปตุกยิ่งไปกระตุ้นใหญ่ยิ่งไปเถียงยิ่งก็ยิ่งกลับมาแรงยังไม่ต้องเถียงนั่งเฉยๆเหมือนให้เขาพูดกับเสาเนี่ย นั่งพูดกับเสาเดียวเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้ว๋ยวเราทำตัวเป็นเสานะอยู่เฉยเฉยไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบโตัเดี๋ยวพูดไม่นานห้านาทีก็เมื่อยแนละ้วหยุดแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณภัยบูลค่ะให้ทานแบบไหนถึงได้บารมีทานครับให้มากๆกกสิให้แบบไหนก็ต้องให้มากๆายให้บาทสองบาทมันไม่ได้หรอกมันต้องให้ล้านสองล้านมันถึงจะได้ มมมมันนนนถึึงจะไดไดด้้้าาาาเป็ทบรีขคำถามข้อต่อไปจากคุณกำพลค่ะการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจพุทโธกับการพิจารณาดูร่างกายวิธีไหนจะได้ผลดีกว่ากาันคะมันคนละเรื่องกันนั่งสมาธิต้องการความสงบพิจารณาจะไม่ได้ความสงบการพิจารณาได้ความเข้าใจได้ความรู้งั้นเราต้องถามตัวเองว่าเรานั่งนั่งสมาธิเพื่ออะไร ถ้านั่งสมาธิเพื่อความสงบก็ต้องดูลมหายใจไปหรือพุโทโธไปไม่ให้คิดอะไรใจก็จะสงบแล้วก็จะได้ความสุดที่เกิดจากความสงบถ้าอยากจะได้ความรู้ก็นั่งคิดไปคิดพิจารณาตายลักไปอ น, นิจจังทุกขาฐนนะตาไปก็จะได้ความรู้แต่จะไม่ได้ความสงบจะได้ความสงบต่อเมื่อเอาความรู้นี้ไปหยุดความอยากตอนที่มันเกิดขึ้นมา หยุดความโกรธตอนที่มันเกิดขึ้นมาถ้าหยุดมันได้ใจก็จะสงบได้จากความรู้ที่เราได้พิจารณาได้ศึกษามาคำถามข้อต่อไปจะคุณลูฟโบค่ะระลึกถึงความตายมีความเศร้าจะแก้ ว, วิธีนี้อย่างไรคะก็อย่าไปลดดมันสิถ้ายังจิตใจยังไม่แข็งพ อ, อมาฝึกสติก่อนทําใจให้สงบก่อนการจะพิจารณาปัญญาบางปัญญานี่ถ้าไม่มีสมาธิพิจารณาไม่ได้ เพราะจิตมันจะต่อต้านมันจะมันจะสร้างความเศร้าหมองสร้างความอึดอัดใจขึ้นมาเน้นถ้ามันยังใช้ไม่ได้ก็คือว่ายามันมันแรงเกินไปสําหรับเราร่างกายเรายังไม่พร้อมที่จะรับยานี้เราก็ต้องใช้ยาชนิดอื่นไปก่อนให้ร่างกายมีกําลังมากขึ้นไปก่อนให้จิตใจเราจิตใจเราอ่อนนี้จะพิจารณาเรื่องความตายเรื่องอสุภานี้ไม่ได้ว่ามันจะเกิดอาการลมจับได้ บางคนไปดูผ่าศพนี่เป็นลมนะพอจิตใจไม่แข็งพอต้องฝึกสติให้จิตใจแข็งก่อนแล้วถึงจะไปดูเรื่องของร่างกายดูความตายดูอาสุภะของร่างกายได้ถ้ายังไม่มีกำลังอย่าเพิ่งไปให้มาฝึกสติพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิให้จิตสงบมีกำลังขึ้นมาก่อนพอจิตสงบแล้วทีนี้จะดูได้จะไม่รู้สึกอาการอะไรต่าง คำถามข้อต่อไปจากคุณนรงศักดิ์ค่ะเราให้เงินภรรยากับแม่ทุกๆเดือนก็เป็นหน้าที่สามีและลูกอย่างนี้เป็นบุญกุศลไหมครับเป็นเป็นการเสียสละไม่ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันคำถามจากคุณการค่ะผู้ปฏิบัติจนมองเห็นคนอื่นเป็นโครงกระดูกถามว่าโครงกระดูกของแต่ละคนที่เห็นเหมือนกันทุกโครงกระดูกหรือเปล่าครับ อไปถามหมอดูเลยมันก็เหมือนกันเลยมี่มันอาจจะต่างกันได้ขนาดนั้นเองแขนของใขร ย, ยาวมันกระดูกมันก็ต้องยาวกว่าข า, ขาใข่ยาวกว่าตัวใข่ใหญ่กว่ามันก็กระดูกมันก็ตามเป็นไปตามสัดส่วนของร่างกายแต่มีรูปล่างเหมือนกันคำถามข้อต่อไปจากคุณกอล์ฟค่ะพระโสดาบันสมาธิท่านยังเสื่อมได้หรือไม่ครับ อไม่เสื่อมหรอกเพราะท่านจะรักษาท่านจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าอริยามรรคแล้วนี่จังมรรคจะไม่เสื่อมมีแต่จะพัฒนาสิ่งที่ขาดที่สิ่งที่ไม่ครบคือปัญป ญ, ญาสมาธินี่มีครบแล้วแต่ยังไม่ขาดปัญญาต้องมาเจริญไต้ลักอานิจังทุกครั้งนะัตาพิจนาขันห้า แล้วพิจารณาจนจิตฟุ้งก็หยุดกลับไปเข้าสมาธิพักจิตก่อนให้จิตสงบเป็นปกติแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ทําอย่างนี้ไปจนมีกําลังที่จะปล่อยวางได้ปล่อยวางการยึดติดในร่างกายปล่อยวางความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ค่ะคําถามข้อต่อไปจากคุณสุดาวันค่ะนั่งสมาธิขั้นไหนถึงจะเห็นจิตเกิดดับ คก็ต้องเห็นตอนที่มันหยุดไงขั้นยุดที่จิตมันหยุดมันก็ได้เห็นว่าจิตมันหยุดเนี่ยมันดับละเวลาจิตสงบนี่เหตุการณ์ต่างๆในจิตจะหายไปหมดความคิดปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะหยุดเนี่ยพอออกจากสมาธิมาก็จะเห็นการทํางานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คำถามจากคุณโอโพลค่ะมีสองมีสองคำถามค่ะลูกได้ฟังเทศจากพระอาจารย์ทุกวันมาตลอดหนึ่งเดือนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติภาวนาโดยพอสรุปความเข้าใจดังนี้ว่าการทำภาวนานั้น เริ่มแรกควรทำสมถภาวนาโดยการบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจรวมเป็นหนึ่งมีสติไม่คิดพุ่งสร้างใดๆโดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้เกิดความว่างปราะศะจากความคิดซึ่งจะทำให้จิตใจมีพลังมากพอในการไปเจริญมิปัสนาต่อไม่ทราบว่าลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิอย่าเพิ่งไปดึงจิตออกมาให้จิตสงบเป็นนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาเอง พอทอนออกมาแล้วเริ่มคิดก็เอาความคิดนี้มาคิดทางวิปัสสนาได้คิดทางตายรักคิดทางอสุภะคิดถึงความตายได้ข้อที่สองค่ะหลังจากลูกได้เริ่มปฏิบัติมาหนึ่งเดือนนี้โดยการนั่งโดยการนั่งสมาธิซึ่งเมื่อเริ่มบริกรรมพุทโธตามลมหายใจเข้าออกต่อมาพุทโธจะหายไป <c oughs> หรือเพียงการรับรู้ว่ามีลมเข้าออกตามการหายใจ แต่ในช่วงที่เหลือเพียงลมนี้ลูกยังได้กลิ่นได้ยินเสียงภายนอกตามปกติแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองทำผิดวิธีหรือไม่ช่วงที่เรามีสมาธิจริงๆแล้วเรายังได้ยินเสียงหรือได้รับการสัมผัสจากภายนอกอย่างนี้ถูกต้องไหมคะมีสองระดับระดับที่ยังรับรู้รูเสียงกลิ่นลดได้อยู่และระดับที่ไม่รับรู้เลยมันอยู่ที่ความลึกของ สมาธิเหมือนเดินเข้าไปในถ้าถ้าก็าไปครึ่งถ้าก็ยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่บ้างแต่ไม่รบกวนใจแต่พอเข้าไปสุดถ้านี้เสียงหายไปหมดรูปเสียงกินลดหายไปหมดนก็มีได้สองรูปแบบสงบแบบยังรับรู้อยู่แต่ไม่ไม่ใจไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่รับรู้ใจเป็นอุบเบกขาสักแต่ว่ารู้หรือเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ตัวเดียวเหลือแต่ความว่าง คำถามต่อไปจะคุณอาคมค่ะการแยกกายกับจิตจากกันนั้นทำอย่างไรครับเนี่ยก็นั่งสมาธิไงการนั่งสมาธิเราจะดึงจิตออกจากร่างกายชั่วข่าวดึงวิญญาณออกจากตาหูจมูกนิ้นกายให้กลับไปรวมกันในจิตเอาเอาขันสีเข้าไปรวมกันในจิตให้มันสงบเป็นหนึ่งสักตะาวาัรู้ถทงนั้นก็จะรู้ว่าร่างกายกับจิตใจยแยกออกจากกันอันนี้แยกด้วยสมาธิ อยากได้ชั่วข่าวเวลาที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็ต้องแยกด้วยปัญญาคือคอยสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรถ้าเราช่วยมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าช่วยมันได้ดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปแต่เราจะไม่ไปทุกข์กับมันแล้วเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเพียงคนนับใช้เราเท่านั้นเอง เราก็เมตตาดูแลมันไปเท่าที่เราจะดูแลได้ถ้าดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะตายก็ต้องให้มันตายมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจเราจะไม่ไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับมันอันนี้แยกด้วยปัญญาเราอยู่ในสมาธิก็แยกด้วยสมาธิต อ, ตอนตอนต้นต้องแยกด้วยสมาธิก่อนถ้ายังไม่แยกด้วยสมาธิมันไม่เห็นชัดพอออกมาทางปัญญามันจะไม่เชื่อ แต่ถ้ามันได้แยกทางสมาธิแล้วมันรู้แล้วว่าเป็นคนละคนกันแต่แวเวลาเอาจากสมาธิมาบางทีมันลืมมันยังอาจไปคิดว่าเป็นตัวเดียวกันก็ต้องใช้ปัญญามาขอแยกอีกทีหนึ่งคำถามข้อต่อไปจากคุณฟูมี2คำถามค่ะคำถามที่หนึ่งการภาวนาควรทำทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิหรือเปล่าครับแล้วควรทาสิ่งใดก่อนกันครับ อการเดินจงกรมานั่งสมาธินี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเต็มรูปแบบผู้ที่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะอยู่ในท่าใดท่านอย่างไม่ได้เดินมากๆมันก็เมื่อยเมื่อยก็ต้องมานั่งนั่งนานๆมันก็เมื่อยมันก็เจ็บก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นพอหอมปากหอมคอนี้ก็ไม่ไม่จเป็นเลอกอิริยาบถใดก็ได้ถ้านั่งแค่ครึ่งชั่วโมง ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเดินจงกรมแต่พวกที่ก็เดินทั้งวันก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนี่ยเขาต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่นั่งก็เดินไม่เดินก็ยืนหรือไม่เช่นนั้นเวลาทํางานเขาก็ยังภาวนาอยู่ทํากิจกรรมอะไรเขาก็ยังมีสติอยู่กับการทํางานขอ ง, ของเขาไปควบคุมใจตลอดเวลาคําถามข้อที่สองค่ะการเดินจงกรมจะเดินแบบค่อยๆ ย, ย่างค่อยๆก้าว กับแบบเดินธรรมดาสร้างสติเราเดินแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าแบบที่เราเดินแล้วสร้างสติได้หยุดคิดได้ใช่แบบไหนที่ได้ประโยชน์ได้สติก็แบบนั้นคำถามจากคุณวิชัยคะ่ะการนั่งสมาธิยังไม่ทันสงบแต่คำบริกรรมของเราหายไปคะ่ะเราต้องบริกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปใช่ไหมเจ้าคะถ้ายังบริกรรมได้ก็ควรจะบริกรรม การบริกรรมเดี๋ยวจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะผลิตอาการแปลกๆให้เราเห็นแล้วเราอาจจะหลงทางได้คนที่จะควบคุมจิตไว้ถ้ายังบริกรรมได้ก็คนรจะบริกรรมอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งหรือถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งเราจะดูเฉยๆก็ได้ดูจิตเฉยๆว่ากําลังปรุงแต่งผลิตอะไรขึ้นมาหรือเปล่าหรือ ม่เช่นั้นก็ดูถ้าดูลมได้ก็ดูลมแทนไปถ้าไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมแทนได้แต่ต้องมีอะไรผูกจิตไว้อย่าปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆเดี๋ยไม่มีอะไรควบคุมเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้เราจะทำให้จิตเราไม่สงบคำถามต่อไปจากคุณดิศยาค่ะเวลาที่รู้สึกทุกข์ เราจะเว้นระยะสักพักออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันผิดไหมคะเคยพยายามอดกลั้นแต่กำลังใจในการคลองสติทำสมาธิลดลงไปอีกต้องต้องทำปรับใจอย่างไรคะก็ไม่ผิดหรอกเป็นการถอนตัวออกจากเหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นการแก้ปัญหาเป็นชั่วคราวเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกต้องฝึกจิตต้องใช้ปัญญา พิจารณาให้มีความสามารถตัดหรือปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆเรานั่นได้แต่ถ้ายังไม่มีกำลังก็ถอยออกมาก่อนดีกว่าอย่าทนอยู่ในสภาพนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามข้อต่อไปจากคุณโมนาค่ะญาติผู้น้องไปทรงเจ้าเข้าทรงเรียนทาเสน่เปิดสำนักเขาไปผิดทางหรือเปล่าคะถ้าเ เขาเขาชอบทางนั้นมันก็ไม่ผิดอะ่ะมันมันทางของเขาแต่ถ้าผิดทางของพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ผิดอะ่ะเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทางนั้นพุทธเจ้าสอนให้เราไปทางฆ่ากิเลสตัดกิเลสไม่ได้ไปส่งเสริมกิเลสการไปเข้าเจ้าเข้าส่งนี่มันเป็นการไปส่งเสริมกิเลสอยากเป็นเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาอยากจะทำนูน่นทำนี่ขึ้นมาค่ะแล้วควรจะ แนะนำยังไงให้กลับมาสู่โลกธรรมคะอะก็อยู่ที่เขามาถามเราหรือเปล่าเขาไม่มาถามเราจะไปแนะนำเขาได้อย่างไรถ้าเขาไม่มาปรึกษากับเราเขาก็ไม่ต้องการฟังเราอะไรนี่เมื่อเขาไม่ฟังเราไปบอกเขาเขาก็จะหาว่าเราไปเสือกน <c oughs> <c oughs> ไปยุ่งกับชีวิตเขาทำไมค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณจินขอบค่ะเราปฏิบัติแล้วจะทราบย่างไรครับว่าเราทำถูกทางแล้วครับ ถ้ากิเลสมันน้อยลงความโลภความโกรธความหลง ค, ค, ความหยากมันน้อยลงความสุขความสบายใจมันมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรเรียกว่าเราก้าวหนะ้าคําถามจากคุณปุ๊ก ค, ค่ะติดเจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้คืนแต่เจ้าหนี้ตายไปก่อนควรทําอย่างไรดีคะก็ถามผู้ที่รับมรดกใครเป็นลูกใครเป็นหลานเขาก็เอาไปให้เขาคําถามจากคุณนรกศัก์ค่ะ ทานที่ทําแล้วได้ผลเร็วเลยแบบได้เร็วๆ ว, วันพรุ่งนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องต่อชาติหน้ามีไหมครับต้องทําอย่างไรครับทุกอย่างได้ทันทีชาติ ท, ที่ที่จิตใจได้ทันทีทำบุญปั๊บก็มีความสุขใจอิ่มปะอิ่มใจขึ้นมาบางทีเพิ่มปิติน้ำน้ำตาไหลใช่ไหมบางคนถวายเงินให้กับครูบาอาจารย์ปั๊บนี่ใจมีความสุขมีเพิ่มปิติขึ้นมาเนี่ยผลมันมีสองอันไงสองระดับ ระดับแรกเกิดขึ้นในใจระดับที่สองเกิดขึ้นที่คนอื่นคนอื่นเขาเห็นเราทำความดีเขาอาจจะสนับสนุนส่งเสริมเราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรให้กับเราหรือไม่เกิดก็ได้อันนี้ผลที่สองนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ผลที่สามก็คือตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ผลที่สี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะ มีเงินทองรอเราอยู่เนี่ยมันมีผลอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกปัจจุบันทันด่วนก็ในใจเราขั้นที่สองก็คือคนอื่นที่เขาจะตอบแทนความดีงามของเราด้วยการให้รางวีรางวัลเลือดด้วยการให้คำชมเชยหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นขั้นที่สองอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ขั้นนี้ นั้นอย่าไปมองตรงขั้นนี้เพราะเดี๋ยวมองแล้วจะไม่ได้แล้วจะเสียใจทำความดีแล้วไม่มีใครชมไม่มีใครเลื่อนตำแหน่งให้ขั้นที่สามนี้เราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเราจะฝันดีถ้าเราทำความดีขั้นที่สี่ก็ตอนที่เราตายเราก็จะไปอยู่สวรรค์เนี่ยก็ฝันดีเหมือนกันฝันโดยไม่มีร่างกายขั้นสุดท้ายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้ายังไม่ยังไปไม่ถึงนิพพานก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณโอโพค่ะอาการตัวลอยเคว้งหรือเป็นภาพแสงสีหรืออาการแปลกๆที่พระอาจารย์บอกว่าจะเกิดตอนช่วงที่พุทโธและลมหายใจหายไปซึ่งจะทำให้หลงทางใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่มันจะเกิดในช่วงนั้นน่ะถ้ามีสติแล้วมันจะไม่เกิดมันจะสงบไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่พุโทโธไม่ดูร่มเดี๋ยวอาการแปลกๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ไม่แน่นอนแล้วแต่จิตของแต่ละคนเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ